นี่รู้สึกว่าละเอียดอ่อนมากที่สุดเลยปฏิบัติไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความละเอียดลึกซึ้งถ้าพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เท่าไหร่ก็เหมือนเราท่องเที่ยวในอากาศหาทีส่สิ้นสุดยุติไม่ได้ สละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นความละเอียดสุดซึ้งหาความยุติแห่งความละเอียดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกุตตธรรมคือเหนือโลกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคาว่าโลกก็หมายถึงสมมติทั้งมวล น, นั่นแหละหธรรมที่ว่าเหนือโลกเหนือสมมุตนินี่เหนือจริง ไม่มีที่สิ้นสุดยุติผู้มาตรัสรู้ก็ต้องเป็นผู้มีความสามารถในธรรมทั้งหลายที่จะรู้จะเห็นได้จึงรู้ได้เห็นได้ไม่ใช่ ตาสีตาสาของมารู้ได้เห็นได้แล้วเครื่องยืนยันของพุทธศาสนานี้และเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดพระรหันที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์นั้น ยืนยันยืนยันกันที่อริยสัจสี 4. คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรนี้เป็นเครื่องยืนยันในความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกทุกพระองค์ จะต้องยืนอาจจะต้องหลุดพ้นกันที่ตรงนี้ปาะฉะนอริยสัจสี่จึงเป็นเครื่องยืนยันการกรองจิตของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทุกพระองค์ให้บริสุทธิ์สุดส่วนอริยสัจนี้จึงไม่มีการสถานที่นเรียกว่าอาการลิโก คนต่อการพิสูจน์ได้ตลอดมาและตลอดไปเป็นเครื่องยืนยันอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรคิดถึงอดีตอนาคตเช่นศาสนาล่วงมาเป็นเวลานานแล้วแล้วเลียวเหลมไปแล้วศา ส, สนา อะไรอริยสัตว์เดียวแหลมที่ตรงไหนนี่เราไม่คิดมาเป็นข้อเทียบเคียงกันและต่อไปนี่ศา ส, สนาก็ยิ่งจะเรียวแหลมไปเป็นลำดับลำดานั่นหมายถึงอนาคตทั้งที่ติอดีตผ่านมาแล้วก็เป็นเครื่องตัดทอนกำลัง แห่งความอุตสาหพยายามและความเชื่อถือซึ่งเป็นจุดสำคัญของเราผู้ให้ด้อยลงเป็นลำดับลาดับและเรื่องอนาคตที่ว่ายิง่งเดียวแดมไปโดยลำดับลำดั บ, ดบนี้ก็เป็นเครื่องตัดทอนเข้ามาสู่ความจนตรอกจนมุมจนหาที่ก้าวเดินไม่ได้สุดท้ายก็ไม่พ้นที่กิเลส เอาขึ้นเคียงสับยำแหลกถ้าพูดเป็นอาหารก็เรียกว่าเป็นลาบไปเลยไม่ได้นี่แหละไม่พ้นที่จะเป็นชิ้นเนื้อให้กิเลสสับยำแหลกเป็นตุนวิจุนไปจนได้แล้วสิ่งที่กล่าวมานี้เราทั้งหลายไม่เคยคํานึงเพราะไม่เคยคิด ว่ามันเป็นอุบายของอันใดเราจะคิดแต่เพียงว่าเป็นความคิดของเราคิดมาอย่างนี้แล้วคิดไปอย่างนั้นเราหาได้ทราบไมมว่าฉากหนึ่งหรือเครื่องหนุนจะให้ให้คิดและให้พูดออกมาอย่างนี้ให้คิดและให้พูดออกไปอย่างนั้นทั้งอดีตและทั้งอนาคตนั้นมันเป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์ของ สมูททยตัวสำคัญหมุนติ้วอยู่ภายในกิจใจให้คิดให้พูดอย่างนั้นออแล้วสุดท้ายก็ตัดทอนเข้ามาให้หาทางก้าวเดินไม่ได้นี่ที่ว่าปิดทางก้าวเดินก็คือเรื่องของสมูททยนี่อริยสัตว์อันหนึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งเป็นธรรมเมื่อมีกำลังมากอยู่ ในหัวใจดวงใดครองอยู่ในหัวใจดวงใดจะไม่ทำใจดวงนั้นให้มีช่องว่างพอจะคิดอัดคิดทำคิดหาทางออกพ้นอำนาจหรือวิสัยของมันไปได้เลยท่านจึงกล่าวว่าผู้หนานแน่นเช่นปะทะประมะนี่หมายถึงผู้หนานแน่นอย่างนี้เองไม่เชื่อทั้งบุญทั้งบาปทั้งนรกสวรรค์ นิพพานทั้งทั้งที่ทำเหล่านี้ปราดทั้งหลายท่านครองมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนและยังจะครองทาเหล่านี้ด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและรับทราบในพระไทยไปโดยลำดับนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ผ่านมาทางอดีตและจะเป็นป็นอนาคตจะพ้นจาก ที่จะทรงรู้ทรงเห็นทรงทรรมเหล่านี้ไปไม่ได้คือไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นจะทรงทรรมเหล่านี้ในพระไทยไปไม่ได้ว่างั้นนี่แกับโรคหรือว่าสมุทัยกับมรดมีเป็นคู่เคียงเป็นคู่ปรับกันมาเช่นเดียวกับโรคและยา และหมอในเวลาหรือในสมัยที่มีแต่โรคล้วนๆเต็มหัวใจเต็มร่างกายของโลกของสัตว์ไม่มียาสัตว์ก็รับความทุกข์ความทรมานมากหาทางออกไม่ได้ด้วยยาขนาดใดหมอคนใดทายเป็นแล้วก็มีแต่คอยจะจมลงไป จมลงไปคอยลมหายใจที่จะดับจะสุดจะสิ้นไปเท่านั้นสมัยเช่นนี้เป็นสมัยที่คนไข้ได้รับความทุกข์มากและไม่มีหวังเป็นจำนวนมากถึงกับไม่มีหวังเลยเพราะไม่มียาไม่มีหมอโรคกิเลสซึ่ง แสดงอาการกำเริบเมื่อห่างเหินจากธรรมจากหมอและไม่มียาคือธรรมและหมอไปแล้วก็ย่อมเป็นโรคที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดที่จะแผงนิดขึ้นมาภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละลายละลาย ให้แสดงอาการหรือดวดลายแห่งความชิบหายฆ่าตัวหรือทำลายตัวโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้าเป็นโรคร่างกายเขาเรียกว่ากินแต่ของแสลงทานแต่ของแสลงอยู่ยาหมอไม่สนใจนี่คิดมีแต่ทางที่คิดจะคิดในสิ่งที่ ตันตัวเองให้ก้าวเดินออกมาได้และเป็นทางโล่งลงในทางความล่มจมโดยถ่ายเดียวก้าวก็ก้าวลงทางล่มจมคิดหายแก่ตัวเองโดยถ่ายเดียวด้วยความคิดความปรุงด้วยอาการขวนขวายทุกกิริยาที่แสดงออกภายในจิตใจและร่างกายของตน นี่เป็นวาระของจิตที่มีสมุทยัยแน่นอยู่ภายในจิตใจแผลงนิดให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนการเช่นนี้เวลาเช่นนี้จะมีอยู่ในจิตดวงไหนก็าตามเราวาดภาพเอาก็ได้ วความทุกข์นั้นเราเคยผ่านมาด้วยกันทุกคนทำไมจะวาดภาพความทุกข์ที่หายาแก้หาธรรมแก้หาครูหาอาจารหา ศ, าศาสดามาแก้มาถอดมาถอดไม่ได้ทำไมเราจะคาดไม่ถูกเรื่องความทุกข์ทร ม, มานถึงว่ามหาันถึงขั้นมหันตแต่ทุกต้องเป็นไปจากอำนาจของกิเลสที่มีความรุนแรง กดขี่บังคับสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมลงไปถึงขนาดที่ว่าถ้าเป็นคู่เคียงกันกับปณิพันธ์ได้แล้วเป็นคู่แข่งกันแล้วก็เรียกว่าไม่มีทางได้เกิดเลยแต่นี้เกิดบรรยั่งคั่มก็คือเรื่องของกิเลสฝังอยู่ภายในหัวใจสัตว์ไม่มีการเกิดไม่มีการตายทุกข์ก็หายไปนั้นเป็นเรื่องของาศาสนธรรมคู่ปรับกันกับกิเลสเมื่อสังหารกิเลส สิ้นประจักเมื่ใจแล้วจิตย่อมหมดทางเกิดตายและหมดเรื่องความทุกทั้งหลายไม่มีอีกเลยตลอดอนันตการนี่เป็นคู่เคียงกันสัตว์โลกผู้ที่ถูกอำนาจของสมุทยัยบีบบังคับก็ย่อมจะทำความชั่วได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีที่จะเลือก ไม่มีโอกาสจะเลือกไม่มีความรู้ความสามารถจะเลือกได้เพราะความรู้ของเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติที่มันเหนือเราเป็นธรรมชาติที่ถลักดันดูกดขีบ่บังคับให้ก้าวให้เดินให้ทำให้คิดให้สร้างในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเอาจึงไม่มีโอกาสที่จะปลีก ตัวหรือหลบปีกจากสิ่งเหล่านี้ไปได้ก็นี่เรามาบวชในพระในพระพุทธศาสน า, าซึ่งเป็นศาสน า, าเอกไม่มีอะไรเสมอแล้วในโลกนี้และได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอัดรมคำสั่งสอนของภูสิเจ้าอยู่อย่างเต็มหัวใจนเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุด ไม่มีโอกาสใดที่จะเสมอเหมือนโอกาสของนักบวชและผู้ปฏิบัติของเราเหล่านี้เราอยู่ในเงื้อมือเราแล้วทั้งนั้นการที่แต่การที่จะสะละหรืการที่จะก้าวเดินตามเครื่องหมายตามโอกาสที่อำนวยอยู่แล้วนี้มันขึ้นอยู่กับเราแต่ละท่านหลักท่าน จึงไม่ควรนอนใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ให้เหือดแห้งหรือหมดสิ้นไปในใจทุกอันเป็นเงาเทียมตัวหรือตามตัวนั้นก็จะได้ห่างเหินหรือจืดจางว่างเปล่าหมดไปจากจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติอัดทำซักฟอกจิตใจให้มีความสะอาดสว่างกระจ่างแจ้งเห็นบาปเห็นบุญ เห็นสิ่งมัวหมองคือสมุทัยไปโดยลำดับนับตั้งแต่ขั้นหยาบยาบจนถึงขั้นละเอียดและละเอียดสุดด้วยอำนาจของปัญญาธรรมหรือจะเรียกว่าญาณวิถีที่สำคัญอันละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกก็ไม่ผิดสิ่งเหล่านี้พร้อมอยู่แล้วในหัวใจของแต่ละดวงละดวงเฉพาะ ให้เห็นอย่างชัดๆก็คือเราเราท่านท่านที่นั่งฟังการอบรมอยู่เวลานี้พร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกล้าเดินตามอัตธรรมอันเป็นทางบิกกว้างออกเพื่อความพ้นทุกขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างเต็มสติกําลังความสามารถของเราไม่ควรจะนอนใจการเกิดตายนี้การความทุกข์ความทรมานนี้ เราไม่สามารถที่จะคิดย้อนหลังไปได้ถึงพบชาติที่เคยเป็นมาแล้วกี่พบกี่ชาติกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันแต่เรายังพอสามารถคิดย้อนหลังไปได้ในชาติแห่งความเป็นมนุษย์ที่เป็นชาติที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี้ว่ามีความทุกข์มากน้อยเพียงไรและสิ่งที่เราได้เคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ มีความพิเศษมิโศเลิดเลออย่างไรบ้างพอที่จะหาเราได้มีความติดพันพระให้เกิดความทุกข์พันจิตใจของเราอยู่ไม่หยุดไม่ถอยอ เ, เช่นเดียวกับความไม่อิ่มพอในเชื้ออันที่ทำให้เกิดทุกข์สิ่งที่ดีเลิศกว่านี้มีอะไรบ้างที่พอจะให้เรามีความติดพันในสิ่งนั้นไม่ถืดจักเพียงเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรา จะเอามาเทียบเคียงกับภาคปฏิบัติธรรมะที่ท่านประกาศอย่างจงแจ้งมาโดยลำดับลำดาว่าเป็นของกระเสิฐเลิดเลือมาแต่การไหนนอยู่แล้วพอให้ได้เหตุได้ผลระหว่างกิเลสกับธรรมว่ามีคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้าง แล้วพยายามประกอบความพักเปลี่ยนอย่างไม่ลดละและควรใช้ความพินิจพิจารณาในอากัปกิริยาแห่งการเคลื่อนไหวของตนเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดไม่เช่นนั้นจะไม่มองเห็นอากัปกิริยาของกิเลสที่มันแสดงออก มาจะด้วยการเป็นการบีบบังคับวิธีการด้วยวิธีการใาดก็ได้ในหัวใจของเราได้เลยถ้าไม่ใช้ความพินิจพิจารณาแม้กิเลสหยาบๆเราก็จะทราบไม่ได้ส่วนมากมักจะเห็นว่าไม่สาคัญอันนี้เป็นสิ่งที่จะให้เรานอนใจนอนจมนี่เราก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมันถึงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่สาคัญ จะสำคัญแต่พระนิพพานด้วยความหลุดพ้นอย่างเดียวการประกอบตนเพื่อก้าวเดินไม่ตีกออกนอกลูก่นอกทางเพื่อทำอันสูงส่งโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนิพพานนั้นไม่เป็นเรื่องสำคัญอะไรบ้างเหลอนี่มันน่าขีดข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ทุกแง่ทุกมุม ดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้นำมาแจง้งนำมาคลี่คลายเปิดเผยให้เราทั้งหลายทราบนี้ไม่เป็นแง่ธรรมที่สำคัญสาคัญอะไรบ้างเหลือมันถึงได้เกิดความเคลือ่อนคาดเคลื่อนอยู่เสมอเฉพาะพระที่มาอยู่กับผมนี้ก็เห็นอย่างประจักษ์เลื่อยมาถึงกับได้พูด หรือนำมาเทศให้หมู่เพื่อนฟั่งอยู่เสมอไม่ไม่ใช่พูดครั้งหนึ่งครั้งเดียวนี่ก็เพราะความไม่เห็นความสําคัญในสิ่งทั้งหลายยิ่ยงกว่ามองเลยเมฆเลยเหมอกแปลว่ามองพระนิพพานนุ่นป่าเป็นของสาคัญแต่พระนิพพานอยู่ที่ใดอาการที่จะก้าเดินให้ถึงพระนิพพานนั้นก้าวอย่างไรปฏิบัติอย่างไร ปราริทั้งหลายท่านประมาทในอากัปกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกกับตัวนี้อย่างนั้นเหรออากัปกิริยาที่แสดงออกเหล่านี้มีอะไรเป็นหัวหน้ามีอะไรเป็นสิ่งผลักดันให้แสดงออกในข้อเหล่านี้เราไม่ได้คิดบ้างเลยเราจึงไม่ได้จดจอ่อเรื่องของสติปัญญากับอากัปกิริยานั้นๆของเราและครูอาจารย์ท่าน อบรมสั่งสอนตลอดถึงหมู่เพื่อนที่เป็นอัดเป็นธรรมแสดงอาการใดออกพอที่จะยึดเป็นคติตัวอย่างได้ก็ไม่ยึดเสียโดยเห็นว่าไม่สำคัญหรือนอนใจนอนจมไปเสียครูบาอาจารย์พูดอย่างใดก็ไม่เข้าถึงใจพอที่จะยึดเป็นคติเครื่องเตือนใจและพร่ำสอนตนเองเพื่อก้าวเดินสู่สันติสุขโดยลำดับลาดาเพราะเห็นความสาคัญในสิทั้งหลาย อันเป็นอุปกรณ์ของการก้าวเดินเพื่อทำขั้นสูงต่อไปนี่เราถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับคนที่มุ่งแต่ความเป็นเศรษฐีแต่ความขี้เกียจหมาตายยังสู้ไม่ได้คือหมาตายมันนอนอยู่เฉยคนนี้ยังดิน้นเวลาหิวมันดิน้นหิวอยู่หิวกินหิวหลับหิวนอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หลับไม่นอนไม่มีที่อยู่ที่พักมันดิน้นนี่ คนขี้เกียจขี้คร้านความทุกข์มันบีบบังคับถึงกับดิ้นไม่ได้เหมือนหมาตายนี่มันเก่งกว่าหมาตายนะให้พิจรารณาควรใช้ความพินิจพิจารณาให้มากตํำรับตําลาตลอดถึงประไกรปีดกผมก็เชื่อแน่ว่าหมู่เพื่อนต้องได้ผ่านไม่มากก็น้อยโดยมาด้วยกันแล้ะทำเหล่านั้นท่านแสดงว่าอย่างไรบ้างไม่ได้ยึดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของเจ้าของและ เพื่อการดาเนินอะไรบ้างเหรอมันถึงไม่มีอะไรพอเป็นเรื่องอบอุ่นภานจิตใจและหนุนกันไปเรื่อยเพื่อความเย็น อ, อกเย็นใจจากการปฏิบัติ ด, ด้วยความสนใจของเราในตำหรับตำลาท่านแสดงว้ยนั้นมีแต่เรื่องการปฏิบัตินี้มากที่สุดยิ่งกว่าเรื่องอื่นใด พูดถึงเรื่องพระแล้วอยากจะว่าพูดว่าร้อยทั้งร้อยแสดงตั้งแต่ทางภาคปฏิบัติแทบทั้งนั้นภาคปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรน่นที่นี่ก็กระจายไปแล้วสถานที่อยู่ของผู้ปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรการอยู่การกินการหลับการนอนการเดือบซ้ายมองขวาเป็นสังวรธรรมประจําตน อยู่ตลอดเวลานั่นนั่นอะภาคปฏิบัติท่านเป็นอย่างนั้นสอนในสถานที่อยู่ก็สอนตั้งแต่ให้อยู่ในที่สงบสงบับปราศจากความผู้พร่านวุ่นวายให้อยู่ในป่าในเขาในร่มไม้ชายป่าที่ไหนที่เป็นความสงบเยือกเย็นที่ไม่มีอะไรรบ ก, กวนสถานที่เช่นนั้นแหละ ความรู้สึกของเราจะได้เด่นกับความเพียรสัมพยุดกันไปไม่ใช่ไปเด่นกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสอันเป็นเหยื่อของสมุทยัยหลอกลวงและเอามาขวางหน้าไว้แล้วอย่างนั้นนั่นเป็นเหยื่อของสมุทยัยคือกิเลสราคะตัณหามันชอบเกิดอยู่ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องสัมผัสต่ตางๆมีล้วนแล้วตั้งแต่ เหยื่อของสมูทัยที่มันปักเสียบเอาไว้เช่นเดียวกับเหยื่อที่เขาล่อปลาในปลายเบ็ดนั่นแหละนี่ถ้าเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว้แล้วสิ่งเหล่านี้น้อยมากที่สุดหรือไม่มี ป่าคนกับป่าไม้นั้นต่างกันอยู่มากป่าสิ่งของป่าสมบัติบริวารเงินทองเข้าของทั้งหลายนี้เป็นค่าศึกสำหรับยิตใจและเป็นเหยื่อล่อได้เป็นอย่างดีของสมุทยัยคือกิเหล็แต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่ในป่านั้นสถานที่หรือสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นนั้น เป็นเรื่องของธรรมเป็นภาพของธรรมเป็นสนามรบกิเลสเนี่ยตรงกันข้ามกับเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วมองเห็นทัศนียภาพมองไปตามทัศนียภาพต่างๆมีแต่ภาพโดยหลักธรรมชาติหลักธรรมดาของตนซึ่งตรงกับกจิตต้องการหาความจริงตามหลักธรรมชาติอย่างแท้จริง มองเห็นต้นไม้เป็นอย่างไรกับมองเห็นคนหญิงชายรูปของบุคคลหญิงชายสมบัติพระสถานเงินทองเข้าของกองสมบัติต่างๆกาบต้นไม้ในป่าในเขาเป็นอย่างไรนี่หละการคำสอนของพระพุทธเจ้าการดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระหันท่านท่านก้าวเดิอนอย่างนี้ท่านดาเนินอย่างนี้ ในตำรับตำราท่านถึงสอนให้อยู่ในป่าในเขาก็เพราะอย่างนี้เองป่าเขาลาเนาไพรกับป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าหญิงป่าชายป่าเครื่องนุ่นลึงบันเทิงต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดินอันนี้เป็นป่าช้าผีดิบของภิกษุหรือของใครก็ตามที่ลืมเนื้อลืมตัวไปคุกเข้ากับสิ่งเหล่านี้ให้ทำให้จมไปจมไปหาวัน รู้สึกตัวไม่มีเลยเพราะความเพลิดเพลินย่อมไม่พาใครให้อิ่มพอได้จากสมบัติหรือวัตถุต่างๆป่าต่างๆดังที่กล่าวมานี้แต่เมื่อแยกตัวเข้าไปอยู่ในป่านในเขาลำนาวไพรแล้วความรู้สึกอย่างนี้ที่ติดไปพันในภาะจิตใจก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเพราะอำนาจแห่งทัศนียภาพซึ่งเป็นหลักธรรมชาติ กร่อมหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพื่ออัดเพื่อทำมองดูใบไม้ใบไม้ร่วงก็เห็นความเป็นอนิจจงของสภาพทั้งหลายเนี่ยใบไม้ไม่ไหวติ่งก็เห็นความสงบเงียบของจิตที่ไม่ดิ้นรนกระวลกวายสงบตัวอยู่เช่นเดียวกับใบไม้ที่ที่ไม่มีลมมาพัดมาโชยอะไร มีความสงบตัวอยู่เช่นนั้นเสียงต่างๆมองไปตรงไหนมีความสงบตัวเพราะไม่มีอะไรรบกวนใจของเราเมื่อไม่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นภัยรบกวนก็ย่อมมีความสงบตัวเช่นนั้นนั่นแล้วยิ่งจะยิ่งก้าวเข้าไปสู่สถานที่ลึกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นการปลู ก, กจิตใจให้มีความสง่างามเยือกเย็นเป็นสุข และมีความสว่างกระจ่าแจงแจ้งขึ้นไปโดยลำดับลำดาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหินลับสติปัญญาให้คมกล้าหรือคล่องตัวท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายอันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านดาเนินอย่างนั้นแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าดังที่เราทราบกันมาแล้วนีในตลาดไหน ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดไปสำเร็จไปบำเพ็ญในตลาดพระสาวกองค์ใดต่การกฎดอยู่ในตลาดแข่งกันกันกบปราช้าผีดิบผีตาอยู่ในนั้นจนได้บรรลุ ธ, ธรรมออกมาเราอย่านำมาอวดถ้าไม่อยากให้กิเลสหัวเราะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสลวนๆ ว, ว่าการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญที่ไหนก็ที่ไหนก็ได้ บำเป็นที่ใดก็ได้ไม่มีใครมาบีบบังคับถ้าเจ้าของจะโง่ถึงขนาดเป็นหนอนจมอยู่ในมูดในคูดแล้วพิจนามูดคูดให้ในตรัสรุ้ธรรมนั้นก็เข้าไปอยู่ในฐานก็ไปอยู่ได้นี่แต่ใครจะทำได้อย่างนั้นล่ะอย่างพิจนาสิใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนส า, สาวกหรือผู้บวช ในพระพุทธศาสนาให้ไปอยู่ในสถานที่เหมาะสมอย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วและทรงนำมันมาแล้วเช่นเดียวกันว่าลุขมูลเซนาสนางัง น, นันนิซาญปปิชาตัตเตยาวจีวังสุชาโหกรณโิโยนี่ใครเป็นคนสั่งสอนไว้ใครเป็นผู้ประกาศสอนไว้ในบรรดาภิกษุทรมทั้งหลาย เราทำไมจะไปอวดดิบปวดดีว่าบําเพ็ญที่ไหนก็ได้บําเพ็ญทำถ้าไมเราไม่อวดเก่งกว่าศาสดาด้วยอํานาจของกิเลสความรู้ที่งโง่ของตัวเองนี่เท่านั้นประกาศความเลวทรามตัวให้โลกเขาเห็นเท่านั้นก็ไม่เห็นมีอย่างไรพอที่จะออกตลาดให้เป็นราค่ําราคาได้สูบปลาในตลาดก็ยังไม่ได้อุบายอย่างนี้นั่นพิจารณาสิพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกว่าอย่างไร แล้วทรงบำเพ็ญมาอย่างไรท่านไม่ได้อวดดิบอวดดีอวดเก่งกล้าสามารถกับฟืนกับไฟกับที่ล่มจมชิบหายเพราะท่านเป็นปราดท่านฉลาดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วท่านยอมหลบยอมหลีปีกพระองค์ออกไปสู่สถานที่เหมาะสมในการที่จะปลอกประกอบความผักเพียนให้ได้สมมติสมหมายจนได้เป็นศาสดาสอนโลกคือตรัสสรูขึ้นมาแล้วก็สอนโลกได้อย่างเต็มภูมิของศาสดา ไอ้ผู้ที่คุยที่โอ้ที่อวดว่าบำเพ็ญอย่างไรก็ได้นั้นมันเก่งที่ตรงไหนเป็นครูสอนไขแม้ต่สอนตัวเองก็ยังแสดงประกาศความเรอสามมาให้โลกเขาเห็นกันอยู่นี่การประกอบที่ไหนก็ได้ใครไม่มีบังคบับแต่ที่เหมาะสมยิ่งกว่านี้ไม่มีเหลือถึงเอาตั้งแต่นี้ออกมาออกตลาดที่เหมาะสมกว่านี้ไม่มีบ้างเหรอไม่พอที่จะนามาออกตลาดให้โลกผู้ดีทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอหอมปากหอมพอพออบอุ่นใจ ว่าโลกอันนี้ก็ยังก็ยังมีทำแทรกอยู่รู้จักที่สูงที่ต่ำที่ดำที่ขาวที่เหมาะสมไม่เหมาะสมต่างกันนี่อยู่บ้างว่างันนี่นีนน่แหละการกล่าวถึงสถานที่ที่บำเพ็ญของท่านผู้เลิศเลอทั้งหลายซึ่งได้เป็นศรณะของพวกเราทั้งสาม รัตนนี้เกิดในที่เช่นนั้นเป็นส่วนมากที่สุดไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่ ท, ทรงคัดเลือกได้สถานที่ที่เหมาะสมที่สุดมาสั่งสอนภิกษุบริสัทเป็นสำคัญกว่าสั่งสอนผู้อื่นใดว่าในป่าในเขาในที่โลกชัดในป่าช้านั่นแหละเป็นที่เหมาะสมมากแม้ในทุดงท่านก็ประกาศไว้ในด้วย ว่าอยู่ลุกขมู ล, ล่มไม้ว่าอยู่ในป่าช้าอยู่ในป่าเป็นวัดด่างนี้มีประจําุูดงแพลว่าอะไรเล้วเครื่องขัดกราวเครื่องซําลอกปอกกิเลสหรือเครื่องสังหารกิเลสไม่ใช่เครื่องสังสมกิเลสนี่นะนั่นเราก็ฟังเราสิใครเป็นคนบัญญัติไว้ก็จอมาศาสดาเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นเมื่อไปอยู่ในป่าในเขาฉะนั้นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างไร เราจะรู้ในตัวของเราเองผู้ปฏิบัติเพื่อความเอาจริงเอาจังในอัตธรรมทั้งหลายทั้งการฆ่ากิเลสด้วยทั้งการส่งเสริมธรรมให้เกิดมีขึ้นเป็นลําดับลําดาด้วยใครจะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติผู้อยู่ในป่าในเขาด้วยการประพฤติตัวเช่นนี้เราผู้อยู่ในบ้านไม่มีทางรู้พระอยู่ในบ้านก็ไม่อาจรู้ได้เหมือนกัน หากรู้ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะทรงสอนอย่างที่ว่านี่นะเอาอยู่ในบ้านก็อยู่ไปเธอสบายข้ามมันได้ง่ายงายนิดเดียวเรื่องกิเลสไม่เห็นยา ก, กเลยแต่าโคสกัทะเลถลายไปยงั้นแหละที่ไปอยู่ในป่าก็ไปอยู่อย่างงั้นแหละเซื่อเซ่อซาซาท่านทั้งหลายมาสอนศาสดาบ้างอย่างนี้มีที่ตรงไหนในพระบาลีก็ดีไม่เห็นมีเราพิจารณาสินี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเลือกเฟ้นอันทำสําคัญสําคัญอันเป็นแนวที่ ราบรื่นดีงามต่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายมาสอนพวกเราไว้ให้ได้ดำเนินตามเอาทุกข์ก็ทุกข์เธอการต่อสู้กับกิเลสใครจะเอาสุขมาจากที่ไหนเพราะกิเลสมันเป็นตัวทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์อยู่กับมันทั้งนั้นเราต้องสู้ถ้าเราจะหลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของมันแล้วเราต้องสู้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายการเกิดการตายนี้เป็น เรื่องของกิเลสเป็นผู้ผิดเหตุปัจจัยขึ้นมาให้เราเกิดให้เราตายให้เราทุกข์ลำบากทำท่านไม่ได้ผิดขึ้นมาในสิ่งเหล่านี้ทำาไมมันจะไม่ถูก ก, ก็บอกของมันครั้งของมันคือกิเลสได้มันฝังอยู่ในหัวใจนี่แล้วการปฏิบัติฝืนก็ฝืนกันที่หัวใจทำไมมันจะไม่ถูกก็ต้องทุกยอมรับว่าทุกแต่ทุกเพื่อสุขทุกเพื่อปราบกิเลสให้ราบแล้วเป็นสุขขึ้นมาอาทุกเถอะยอม ทุกพระพุทธเจ้าพาทุกมาแล้วเพราะทางก้าวเดินไม่มีทางอื่นใดที่จะไปนอกจากการก้าวเยียบไปตรงนี้เอาตรงก็ไปตรงนี้คดโค้งก็ไปตรงนี้เพราะทางอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่ไปให้เราเป็นที่ลงใจนอนใจกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นไรปฏิบัติเช่นไรเอาให้ไปอยู่เ ร, เราไม่ถอย อดก็อดอิ่มก็อิม่มสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นอุปกรณ์ที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบราบคาบของจิตจากการปราบกิเลสให้เรียบราบเงโดยลำดับไม่เป็นอย่างอืง่นไม่ขาดทุนศูนย์ดอกผู้ปฏิบัติทุกด้วยการประกอบความเพียรไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรขาดทุนมีแต่ความรื่นเริงบัานเทิงภายจในจิตใจอยู่ นี่แหะพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนว่าอย่างนี้จะพาะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทท่านเน้นหนักมากๆเพราะเห็นว่าท่านเหล่านี้พร้อมแล้วถ้าเป็นทหารก็ก้าวเข้าสู่แนวรบแล้วยื่นสัตราอาวุธที่ทันสมัยให้สถานที่ก็บอกนั่นแหละสถานที่เป็นใช้สมรภูมิอ้าวเอาอยู่นะบำเพ็ญนะน่ะฟังสิยอย่าขี้เกียจจี้ค้านอย่าเป็นผู้สู้เซ่อซาซาใช้สติปัญญา ซึ่งเป็นศาสตราวุธติดตัวอันสําคัญอย่าให้พลากจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรล่านี้ซึ่งเป็นอาวุธที่แนบสนิทติดอยู่กับตัวเพื่อชัยชนะทั้งนั้นนะให้ก้าวเดินให้ปฏิบัตินี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านทรงสัสอนไว้สถานที่อยู่ดังกล่าวมานี้เป็นอย่างไรบ้างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้อยู่ก็ให้ยืดไว้เป็นคติตัวอย่างอันดีไปอยู่ในสถานที่เะนนั้นให้สร้างตั้งแต่สติปัญญาสร้างแต่ศรัทธาความเพียรขึ้น ดูอากับกิริยาของกิเลสมันเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาอยู่ตรงเลือกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้า ง, งเรื่องรูปรูปอะไรเสียงเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรเครื่องสัมผัสอะไรมันปรุงขึ้นเป็นธรรมอารมณ์ภายในจิตใจซึ่งนําไปจากอารมณ์อดีตที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาแล้วเข้าไปเผาหวัวใจเราอยู่นั่นเราจะแก้มันด้วยวิธีใดพิจารณาเข้าไปถ้าลงได้สติติดตาม แนบอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงมันก็ยอมเหมือนกันมันก็หมอบเหมือนกันไอ้นอกจากที่ว่าสติตายไม่มีวันฟื้นนั่นสิมันถึงได้สนุกเหยียบหัวใจเราเหยียบหัวใจเราบรรดาของสมุทัยกิเลสสมุทัยทั้งหลายนี่เราได้ทุกได้รับความทุกข์เพราะผลของมันแสดงนี่เลาได้รับพลอยเหตุแห่งเราเสื่อซ้าของมันนั่นเองถ้าสติของเราก็ดีปัญญาของเราก็ดี สถานที่ก็เหมาะสมตั้งหน้าตั้งตาหรือตั้งท่าต่อสู้อยู่แล้วทำไมกิเลสนี้เคยเรียบราบไปเพราะอานาจแห่งธรรมมันจะไม่เรียบราบไปได้ยังไงธรรมของุรุเจ้านี้เคยย่อหย่อนอ่อนข้อต่อกิเลสที่ตรงไหนไม่เห็นหมีนอกจากผู้นำปไปรบไปเอาต่อสู้กับข้าศึนั่นยื่นทั้งด้ามให้เขาถ้าเป็นตํเ ป, นเป็นดาบก็ให้เขาฟันย้อนกลับมาเท่านั้นมันถึงได้คีหายตายไป โดยไม่เป็นท่าทั้งนั้นนักปฏิบัติเราถ้าได้ใช้สติปัญญาทําไมทำวันนี้สติธรรมปัญญาธรรมตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาเป็นธรรมที่เกลียงไกลมากที่สุดไม่มีอะไรเสมอแม้กิเลส ท, ที่เคยครองหัวใจมานี่นานแสนนานก็ตามพังลงได้โดยไม่อ้างการอ้างเวลาว่าข้าเคยครองหัวใจบีบหัวใจของเธอทั้งหลายมานานเท่าไรแล้วข้าไม่ยอมลงอย่างนี้เป็นไปไม่ได้พังทันที ไม่มีอะไรเหลือน่านเห็นใหม่สติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงบําเพ็ญมาแล้วเป็นอย่างนี้นํามาใช้ที่พวกเราสิ่งที่ผ่านมาเพียงแต่เกิดมาถึงจนกระทั่งถึงบัด น, นี้เราก็พอจะมาช่างมาตวงกันได้แล้วแหละอืมความตุกความทุกข์ที่เคยผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายการอยู่การกินการหลับการนอนการสัมผัสัมพันธ์กับสิ่งใดที่โลกเขาสัมผัสัมพันธ์เล่าก็เคยผ่านมาเช่นเดียวกัน มีแต่เพียงผ่านผ่านมากับผ่านไปเป็นลักเป็นขณะเดียวกันขณะเดียวกันมีแต่อารมณ์ของใจแต่นั้นคิดหรือเขาเรียกว่าคิดย้อนหลังหรือว่าเป็นคำหลังความหลังไปแต่นั้นให้เกิดความเสียอกเสียใจในเรื่องอารมณ์มุงตัวเองนะ่ะเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่มีความหมายอะไรแต่จิตนี่มันสร้างความหมายขึ้นมาเผาตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่สําคัญมากให้เราย้อนลงกลับกลืนไปสิ ตั้งแต่วันเกิดมานี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราปรากฏว่าได้สิ่งพิเศษที่โสจากสิ่งสัมปัติสัมพันธ์เสียจากสิ่งที่เคยสัมผัติสัมพัสมามากน้อยเพียงไรเราได้อะไรบ้างไห้นั่นเป็นที่อบอุ่นไหมายเวลาเราอยู่ที่นี่เป็นยังไงจิตใจของเราสงบเย็นไหมเพราะได้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจมาเป็นอาหารเป็นเป็นปุ๋ยอันดีงามของใจใจรับความสงบร่มเย็นหรือมีความสบายด้วยวิธีการใด เราเห็นยังไงบ้างหรือไม่เนี่ยก็ไม่เห็นมีมันเหมือนเหมือนกันตั้งน้นมีแต่ความหลังความหลังดังที่ว่านี่แหละชวนทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราเทียบสิ่งเหล่านั้นแล้วการเทียบเหล่านั้นเพื่อจะกระตุ้นหัวใจเราให้โยุดอย่ายุ่งพูดง่ายๆทุกเคยทุกมาแล้วปล่อยให้ผ่านไปเสียให้ทำความเข็ดหลาบไว้ด้วยความทุกที่เคยเป็นมาผ่านมา เคยได้ที่ว่าข อ, ของดีของดีของเพื่องใจก็ผ่านไปแล้วนั่นคือกฎอันนี้จังให้รู้ว่าเป็นอย่างนี้เรื่องของโลกหาความแน่นอนไม่ได้เอาความแน่นอนจากธรรมทั้งหลายตามพระวิทยาทรงสอนนี้นั่นคือปัดจิตเข้ามาตรงนี้หรือหาอักห้ามจิตให้เข้ามาสู่วงปัจจุบันของแห่งธรรมทั้งหลายคือการประกอบความผากเปลี่ยนอนาคตตการที่ตาหูจมูกดินกายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มันก็สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่เคยเป็นมานี่แหละมันจะเอา สิ่งเลิศเลอมาจากที่ไหนเพราะใจตรงนี้ก็ไม่เลิศเลอเนื่องจากสิ่งที่เลวทั้งหลายที่โซกับปกทั้งหลายมันครอบหัวใจอยู่นี้จะเอาความสะอาดเอาความเลิศเลอเอาความสุขความสบายมาจากไหนด้วยความคาดความเดาความคิดความหวังเฉยพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้หวังเฉยแต่เป็นผู้บําเพ็ญจงกทั่งเห็นผลประจักษ์เป็นที่พอประทยัยและการผ่าน วัตจักรวัตทุกขสังสารภพสังสาระจักรมานี้ใครจะเกินพระพุทธเจ้าล่ะเล่ากับเวรเจ้าก็เป็นอันเดียวกันในเรื่องความหมุนเวียนแห่งการเกิดตายไม่มิไม่สามารถที่จะนับได้เราแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนับได้แต่ว่าเมื่อเมื่อมันผ่านไปแล้วนับมันทําไมมีแต่ทาความเฉดลาบกับมันที่เป็นเรื่องของกองทุกข์นี่เท่านั้นเนี่ยแล้วทรงบําเพ็ญจนกระทั่งถึงได้ปรากฏ ทำอันประเสริฐเลิเลื่อได้มาประกาศสอนพวกเหล่านี้ได้มาจากการบำเพ็ญใจใจเล็ดเบิสุธิ์หมดจดปัดสิ่งที่เป็นฆ่าศึกศัตรูทั้งหมดออกจากใจโดยแา่เดียวเท่านั้นท่านจึงได้ครองทำอันเลิศสิ่งอันสิ่งที่เลื่ภายในพระไทยแล้วได้นำสิ่งที่เลิ่นี่แหละมาสอนพวกเราสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเรา เ, ราเราท่านท่านท่านก็ทรงเคยผ่านเหมือนกันมาเห็นพระ อ, องค์ได้ทรงนำอันใดมาประกาศ ให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบได้ยึดได้ถือว่านั้นประเสริฐนะั้นเลิศเลยนะตถาคตเคยเกิดมากี่พบกี่ชาตินับกับนับกันไม่ได้เอาความจุความสบายมาจากการเวียนว่าตายเกิดนั้นที่ตรงนั้นตรงนั้นชาตินั้นชาตนั้นม า, มาอวดท่านทั้งหลายเพราะเราเลิศที่สุดในตรงนั้นไม่เห็นมีที่ตรงไหนมีแต่เรื่องกองทุกกองทุกกองทุกจนผ่านมาในวงปัจจุบันจึงได้มา รัตสรู้ทำขึ้นมาเป็นแดนอัศาจรรย์จึงได้นำํำทำอัศาจรรย์นี้มาสอนโลกนานแล้วทาอันนี้เป็นยังไงทุกวันนี้ยิเรียบีบบังคับเอาไว้ปิดหุ้มห่อไว้จนมิดตัวหาที่มองไม่ได้เหลือนี่มันเป็นยังไงศรัทธาพระเจ้าก็เคยเชื่อในอดนธรรมได้บรรลุธรรมเพราะความเชื่อวิริยะก็เหมือนกันความภาคความเพียรสติปัญญา ทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้ใช้ในธรรมทั้งหลายมาแล้วจนได้บรรลุธรรมพวกเราเป็นยังไงแล้วพูดถึงเรื่องการฆ่ากิเลสท่านรำทเหล่านี้ฆ่ามาจนกระทั่งถึงกิเดสราบในพระทัยไม่มีอะไรเหลือแล้วพวกเราเป็นยังไงมันถึงไม่ปรากฏธรรมเหล่านี้จึงไม่มีคุณมีค่ามีราคาอะไรเพราะอะไรเพราะตัวเรามันหมดคุณค่าหมดราคาถ้าว่าศรัทธาก็เชื่อไปตาม อารมณ์บาบ้าบอบของกิเลสที่มันเสกสรรปัญญามาตลอดนั้นไม่มีความอิ่งพอนั้นเสียเนี่ยเฮียนก็เพียนอยากดูอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเน่ยชติก็จดจ่อไปในสิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟปัญญาคิดไขขวัไปในอ่ะคิดอ่า น, นตรายตองไปในสิ่งที่เป็นฟืนไฟไปเสียแล้วเป็นยังไงมันจะเอาความดิบความดีมาอย่งไรเชาะสแสวงหาอะไดสิ่งเหล่านั้นมีอยู่มันก็ต้องเจอสแสวงหาดีก็ต้องเจอดีสแสวงหาชั่วก็เจอชั่ว เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกไม่ได้เคยขาดศูนย์จากโลกแม้ใครๆจะว่าไม่มีก็ตามหลักธรรมชาตินี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมปากของผู้หนุ่มผู้ใดเลยที่จะมากล่าวอ้างและลบล้างสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายให้ศูนย์ไปจากโลกก็เมื่อมันมีอยู่อย่างนั้นทําไมมันจะไม่เจอถ้าถ้าเรายังมองไม่เห็นก็ดูหัวใจเราสิมันคิดไปทางใดมันน้อนไหนมันคิดไปทางทางใดมันเย็นไหน มันควรจะได้ทั้งสองอย่างมาเป็นข้อเ ท, ท็จเคียงในหัวใจดวงเดียวนี้เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ด้วยกันและใจเป็นผู้ที่จะรักษาสมบัติสมบัติสิ่เหล่านี้ด้วยกันมันน่าจะรู้จะเห็นได้นะนี่ได้พูดถึงทั้งวิธีการทั้งสถานที่อยู่ท่านสอนอย่างนั้นแหละท่านสอนพระนะ่ะมีจํานวนมากต่อมากสอนแต่อย่างนี้สอนให้มองดูหัวใจ ไปที่ใดมาที่ใดให้มีตั้งแต่ความภาคเปลี่ยนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในตัวของเรานี่ประจําท่ามีท่าต่อสู้ท่าตั้งท่าลบลากับกิเลสท่าชําระศาสาง ส, สิ่งที่สปกปรกโสมมทั้งหลายอยู่ภายในใจของเหล่านี้ด้วยอักด้วยธรรมมีแต่ท่านี้ทั้ง น, นั้นห่างสินี่ละ่ะลากฐานของศาสนาแท้พระพุทธเจ้าท่านทรงส อ, งสอนแทบนี่อสอนพระ สอนเหลื่อนี้เป็นส่วนมากที่สุดใครจะมาโกโหกกันได้ก็เห็นด้วยกันในตํำรับตำลาก็เห็นพระไกลปิฎกมันเหนือหูเหนื้อตาไปไหนจะจะไม่เห็นจะไม่รู้เมื่ออ่านเข้าไปผ่านเข้าไปภาษ า, าพระไตรปิฎกเอาภาษาไหนมาพูดภาษาไหนมาเขียนแล้วผู้อ่านไปตามพระไกลปิฎกทําไมจะไม่ทราบความหมายของพระไตรปิฎกมีอยู่ภาษาเดียวกันอ่านลงไปทําไมจะไม่รู้แม้เทศก็ ถนะว่าการอย่างเท้จยู่เวลานี้ก็เป็นภาษาเดียวกันทำไมจะไม่เข้าใจกันพอที่จะบึกบืนเป็นบ้าไปกับี่เลสโดยไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันพิลึกนะผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไม่มีอะไรจริงจังสักอย่างนี้ภาคปฏิบัติก็ได้พูดให้ฟังแล้วพูดนี้พูดเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่ลงใจว่าธรรมุนเจ้าสอนอย่างนี้โดยแท้ผู้ปฏิบัติตามนี้แล้วยังไงกิเลสต้องพังโดยแท้ไม่ต้องสงสัยนี่ และวิธีการก็ได้สอนได้บอกแล้วทุกแง่ทุกมุมรักษาใดก็ตามมันสู้รักษาใจรักษาอิริณะของเหล่านี้ไม่ได้พยายามเพราะกิเลสมันอยู่ที่นี่มันก่อเหตุอยู่ที่นี่นะกิเลสไม่อยู่ตน้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจมันถลักดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของมันพาให้คิดให้ปุุมเพราะฉะนั้นเราที่ ที่ที่เป็นโลของมันหรือว่าเป็นหุ่นของมันนั่นน่ะจึงเหมือนฟุตบอลน่ะกริ้งอยู่ตลอดแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกกริ้งเพราะอะไรเพราะอะไรเตะนะฟุตบอลก็มีฝ่าเท้าเขาเตะอันนี้ก็ฝ่าเท้ากิเลสมันเตะตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบจะทําทอย่างไรนี่ก็สอนแล้วสอนเล่าสอนบกไปเวียนมาสอนช้ำช้ำสากสากก็พอกิเลสมัน ทำซซากๆไม่ความเชื่อกิเลสความเป็นไปตามกิเลสก็เป็นทำซ้ซากๆจนหาประมาณไม่ได้ในหัวใจของเราแต่ละดวงละดวงเราจะสอนไปไหนก็กิเลสมันอยู่ตรงไหนก็สอนลงตรงนั้นแก้กิเลสแก้วิธีใดก็ต้องสอนวิธีแก้นั้นเพราะกิเลสมันทําลายคนทำลายวิธีใดทำลายจิตใจเรารับความทุกข์เพราะอะไรเนี่ยมันนอกเหนือไปจากความรักความชังความเกลียดความโกรธที่ไหนได้นี่มีตั้งแต่กิเลสตัวสําคัญสาคัญทั้งนั้น ที่มันทำลายจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เรายังไม่อิม่มเบื่อหนายอิ่มพออยู่แล้วทำไงไม่เบื่อหนาในการรู้กันเห็นนันจะเป็นสาเหตุเข้ามาเป็นฟืนนไฟเผาตัวเองเราก็ไม่เบื่อแล้วจะทำยังไงนี่หละหลักของผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้มีชัยชนะในการต่อสู้วิเวร หรือผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก้าวเดินอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระสาวบอกสลายท่านก้าวเดินอย่างนี้ให้ยึดหลักให้ไวให้ดียาทะเลทลายในสิ่งที่ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์แล้วกลับกลายเป็นเรื่องสมุทยัยเผาหัวใจของเราขึ้นมาทั้งๆที่เราก็ภูมิใจว่าเราเราทำถูกต้องยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งกับสิ่งนี้เฉพาะอย่างยิ่ง นักปฏิบัติที่ชอบก่อนั่นสร้างนี่นี่เคยพูดเอนูกกี่ครั้งกี่วันแล้วท่านทลายจำหรื อ, อยังออกจากนี้ไปล้สร้างมันแข่งโลกธาตุเขานะอมเขามีกี่ชั้นในแผ่นดินของของโลกอันนี้นะ่ะละสร้างมันเก่งสร้างมันเก่งกว่าเขาหนะทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งให้เก่งกว่าเขาวุ่นให้เก่งกว่าเก่งกว่าเขาทุกอย่างนั่นแหละคือคนก่อไฟเผาตัวจะหาทางก้าวเดินไม่ได้เลย แล้วกลายเป็นด้านไปหมดใครเตือนไม่ได้ต่อไปถ้าลงไม่ได้เคยชินแล้วหัวใจนี่เป็นกิเลเสประเภทสําคัญขึ้นมาภายในตัวเองให้เตือนไม่ได้แหละแม้แต่ครูก็เหมือนกับสุนัขเมือม่อมันเป็นบ้าแล้วมันกัดจนกระทั่ทงเจ้าของอันนี้ลงมันมันเป็นบ้าขนาดนั้นมันเลยด้านไปแล้วมันก็ต่อสู้ครูนะแม่ครูอาจารย์ก็สอนไม่ได้สอนไม่หลวงไม่ยอมรับอสิ่งที่มันยอมรับก็นั่นแหละสิ่งที่กําลังจมจมอยู่นั่นนั่นอพากันจํามอหนะ นีมีน้อยเมื่อไหร่ที่มาอยู่ที่นี่และตั้งแต่อบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้มากขนาดไหนกี่ปีมาแล้วร่วม40ปีแล้วเนี่ยมากขนาดไหนพูกภาคเนที่มาเกี่ยวข้องแล้วการแนะนําสั่งสอนนี้ก็ไม่ไเอานอกเหนือจากอา จ, จทมของพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนมาสั่งสอนหมู่เพื่อนพอที่จะยึดเป็นคติเพื่อกําจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกได้นี่ยอันเป็นสิ่งที่เป็นคติทั้งนั้นเป็นอาจเป็นธรรมนั้นอาจรมเหล่านี้เป็นเครื่อง สังหารจิเตเป็นเครื่องชำระสิ่งที่ชัวช่วช้าละโมฆอันเป็นสินโสกปกให้สะอาดแล้มคมมามากต่อมากแล้วเราควรที่ยืดไปเป็นหลักปฏิบัติอย่นมาอยู่เซ่อเซ่อซาซานอนจมอนูเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยะการสดแสดงธรรมเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อย